การฟังธรรมเคยฟังเรื่องของเรานี่ยแหละสนุกนะสนุกลู่สนุกเห็นได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยมันเป็นงานงานชอบที่สุดเลยการเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันคือเรื่องอะไร เรื่องทั้งหมดเสมือนกับเราได้ช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยจึงื่นได้ช่วยวัตถุอื่นเป็นส่วนรวมเลยทีเดียวแต่ถ้าหลงเราไม่เปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เนี่ยเท่ากับเราไม่รับผิดชอบอะไรมันเป็นการงานชอบยิ่งเวลามันทุก ก็ได้เปลี่ยนถูกไปไม่ถูกมันเป็นงานที่ลึกซึ้งมากนะเป็นการเห็นของเก่งอันวิสุดต้นโตอของปัญหาได้เห็นต้นโตปัญหาเอามาเป็นปัญญาได้มันเป็นความมั่นใจชัดเจนแม่นยําที่สุดในโลกก็ได้ นี่แหละ ง, งานของพระอริยเจ้าเป็นการงานชอบเป็นการกระทำที่ชอบเป็นความอยู่ที่ชอบเมื่อเราอยู่โดยชอบเช่นนี้โลกจะไม่ว่างจา้าพระละมัดคือผู้ไกลจากฆ่าศึกเพื่ออะไรใช่เพื่อไ ด, อได้อยู่ในโลกอย่างสง่างาม แต่มีอะไรก็ตามมันมันมาเป็นหน้าจอในภาวะที่รู้สึกที่เห็นเนี่ยเป็นหลักไดเห็นแล้วก็ไม่เป็นพ้นจากพวะที่เป็นได้นั่นละ ง, งานชอบมันแล้วมันเสร็จ ไม่มีอะไรที่จะให้ทำเวลาบัดทุกแต่ก่อนมันก็บีให้ทำทีนี้ทุกไม่มีให้ทํามันหมดจริงๆเขาว่าทุกนี่หมดจริงๆเราถูกกลมทุกจังเราแล้วนี่คือพระาุสานุษศาสนีของคุณเจ้าตักเตือนพวกเรา มีความทุกข์เป็นนิ่งนะอะไรคือทุกข์แล้วก็เห็นการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดมาได้สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์กางครอบแค้นใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจไม่เป็นทุกข์ ล่อมโซ่โศกร่อมไหลคงพาดปาคจากของล่าของชอบใจก็เป็นทุกข์พาดภาคจากของเล่าของชอบใจไม่เป็นทุกข์จะให้ทําอะไรอีกอะไรที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เราได้ทําให้เสียแล้วงานนี้เราทําเสียดได้แล้วงา น, นเป็นเรื่องอะไรที่ทําอย่างนี้เสียไปมันเป็นอะไร ก็เท่ากับว่าช่วยโลกต้องโลกเลยทีเดียวเราจึงงานกรรมฐ า, านเป็นงานที่ชอบที่สุดละเระจะได้ใช้ชีวิตแต่ของสอนตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลก ก็มีชีวิตชีวาดีเกิดตือนรือโลนแตบอกคู่บอกคนเนลามันหลงไม่หลงบอกอย่างนี้ให้มีภาวะที่รู้เป็นหน้ารอบไว้อะไรเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นให้ไม่เป็นไปกับสิ่งต่าง มันต้องมีแน่นอนมันมีวัตถุอาการมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีตามีหูมันมีการเกิดเวียการเฉยการเฉียบปลันตายเกิดจากคันเกิดจากท้องเกิดครั้งเดียวแต่เมื่อเกิดอีก ในวัตถุอาการเหล่านี้เป็นพวกภูมิต่างๆจัดสตินี้เป็นการควบกุมเนืดของการเกิดในลักษณะที่มันเกิดดับเกิดอาการเกิดดับมันดับมันดับไม่เหลือจริงเป็นงานงานชอบง็นการงานที่ทำแล้วเสร็จโดยช่วย ใส่ใจเมื่อเมื่อทำเสร็จแล้วก็เติร้ลโลนที่จะช่วยคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นได้มาช่วยกันให้เป็นที่อาศัยของโลกแต่นี้โลกไม่มีใครรับผิดชอบเพราะเราไม่รับผิดชอบตัวเองปล่อยตัวเองให้เป็นปัญหาต่อโลก บางทีเราก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหาต่อโรคมากมายแต่คนอื่นเพื่อนโรคโลกยังมีอยู่เราจะดีคนเดียวไม่ได้มันจึงเป็นงานชบของเราดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราสี่ห้าภาษาพราะองค์ทรงชีวิตการส อ, สอนเรื่องนี้ นานมาแล้วถ้าไม่มีธรรมะไม่มีไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ได้มีการตัดรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรชีวิตเราจะเป็นอย่างไรไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเหมือนคนป่าคนดง สันาตร์ก็ว่าได้เดี๋ยวนี้นะมันไปกันหมดเกือบจะหมดไปแล้วอันเรื่องเหล่านี้นะคาว่าบุญคุณเนี่ยมันไม่มีเสียแล้วในโลกเนี่ยมันหมดไปแล้วอย่างสองตาก็เกิดมานานก็สมควร มันต่างเก่าจริงๆคำว่าบุญคนแทบจะไม่มีในหัวใจของคนรุ่นใหม่รุ่นเด็กๆมีแต่ใช้ให้บริการเอาบุญคนมาเป็นการบริการชั้นต่ำๆเข่นพ่อแม่ต้องบริการลูกให้ได้ถ้าพ่อแม่คนใดไม่บริการบริการลูกไปได้ ลูกก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะถูกต้องต้องเรียกร้องให้พ่อแม่บริการมากที่สุดแล้วก็มีความหลงบางทีเราบริการลูกด้วยความหลงของเขาอย่างสองสามปีที่ผ่านมานี่มีเด็ก จากใต้มอเตอร์ไซค์ให้พ่อบอกพ่อบอกแกให้ชื่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่มีเงินแต่ลูกมันเห็นควายอยู่ใตุ้นขายควายให้ขายควายไปชื่อให้พ่อก็ไม่ขายควายไว้ทำนา พ่อเป็นขายควยเป็นเราเชือกผูคอตายเดี๋ยววนเล่าเข้าพ่ ก, ก็ไปเห็นทันได้ช่วยเหลือลูกไม่ให้ตายก็ลเลยขอยอมว่าจะขายควายซื้อลถดมาใส่ให้ก็ทํำเป็นต้องขายขวายถึงซื้อใหอ้มันก็ไม่ผูกคอตาย บนบ้านนี่ทั้งต่ำนี่ใกล้ๆเนี่นี่คาว่าบุญคุณมันคืออะไรให้เป็นการสั่งให้ทำให้ความต้องการของเขาจึงเป็นงานของพวกเราเป็นงานที่รีบๆสักหน่อยแต่ช่วยกันสักหน่อยโลกก็รองพรอเพิ่มขึ้น นอกจากผู้เจ้าคนโตคนไม่รู้คนไม่มีสติกามกีเพิ่มกระทบต่อเราอาจฉะหนาวเพิ่มขึ้นอาจจะร้อนเพิ่มขึ้นอะไรก็จะหมดไปมากขึ้นข้าวก็เป็นมีรสชาติมากขึ้น ต่อไปเข้าอาจจะเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นดินก็เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นอากาศก็เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นอาหารก็เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นแล้วก็มีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเนกระยูดเนื้อในกระดูกมามหม้อเจียดับไตปวดปัมเกิดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า แม่แต่เยื่อในกระโหลกศรีรษะก็เป็นส่วนของโลกถ้าจริงเหล่านั้นมันมันมีทุกข์มีโทษมันก็มีผลกระทบต่อไตช่ภูมิของคนมันเป็นเครื่องเล็กๆน้อยๆมันมีแต่โลกอันที่เราว่าไปมือจี้นี่ มันก็เป็นมันก็เป็นเชื่อโลกที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกปะถัวกาณต่างๆแล้วก็จะตายเพราะสิ่งเหล่านี้แหละแน่นอนที่สุดจงมาช่วยกันงานอย่างนี้เป็นงานบุญ บุญคือทำคนให้เป็นคนหลงทั้งเป็นทำคนที่หลงให้เป็นคนที่ไม่หลงทำคนที่ทุกข์ให้เป็นคนที่ไม่ทุกข์ทำคนที่โกรธทำให้เป็นคนที่ไม่โกรธนี่คือการทำบุญมีโอกาสมีตลาดแห่งบุญอยู่ทุกโอกาส อันหนึ่ก็มาถามว่าหนูไปทํางานเกือบจะทะเลาะ ก, กับเพื่อนจะทะเลาะเขาชวนทะเลาะเขาว่าให้เราเสียใจทําให้เราได้ทําให้เราได้เกิดความโกรธเราหยุดความโกรธมีสติขึ้นมารู้จักโลนวืบมันก็ไม่โกรธมันเป็นอย่างไรหลวงพ่อเนาะ ก็นั่นแหละธรรมะในลาควรจะโกรธไม่โกรธเท่ากับเราได้ช่วยคนสองคนช่วยคนที่โกรธอยู่แล้วให้เขาไม่โกรธต่อไปทางเราก็มีสติสงบอยู่ช่วยเราที่ควรจะโกรธทาให้ไม่โกรธถือว่าเราได้ช่วยคนทั้งสองคน เป็นการที่ชนะสงครามที่ชนะระยะขุนเจ้าสนเสร์ญบุคคลผู้เอาผู้เอาชนะตนขุเจ้าสนเสร์ญอัตตาหงาเวชิตังเสรอิอยู่ชนะตนนั่นแลเป็นเรื่องดีชนะคนอื่นล้อยครั้งครั้นหนไม่เท่าชนะตนแม้ครั้งเดียวถึงถูกแล้วอยู่ในโลกทำอย่างนี้แหละก็ใช้ปลอดภัย เตรียมเหมือนเสือมันมีมันไล่ได้ใจฆ่าเสือมาไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองอยู่ในในที่เสือไม่กัดได้คืออันนี้ก็คือธรรมะเนี่ยในเวลาควรโกรธไปโกรธเดี๋วเาควทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวเราที่จะหลงไม่หลงมันมีได้จริงๆความเกิดเป็นทุกข์เป็นความเกิดไม่เป็นทุกข์ ความเก็เป็นทุกข์ความเก่ไม่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความไม่ความไม่เก็บไม่ความเก็บไม่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ถูกไม่สุดทางชีวิตเดินไม่สุดทางไม่จบเราจะต้อง ชีวิตเราเพื่อกนันนี้จะปล่อยทิ้ง ไ, ได้ยังไงงานแต่นี้มันมีอยู่ในเราเนี่ยมาที่เราเป็นเราทําได้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ไม่ใช่รอถึงวิธีนะถึงถึงชั่วโมงหน้าที น, ะนั้นแล้วเจ็บปวดเราโทษเราแล้วตายก็อคิดคำนวณเราไม่ใช่อย่างนั้นมันทําไปแล้ว ตายใช่ก่อนตายเหมือนกับปิญญาสวนโมกที่เขียนไว้ไม่สวนโมกชัยยาปริญญาสวนโมก ค, คือตายก่อนตายหรื่อวปาปริญญาปหานักปัญญาอืม ปัญญาปริญญาญาติปริญญาติละขณะปริญญ า, าปหานาปริญญ า, า, รญญาเริ่มต้นจากญาตะปริญญาที่สองก็ติละขญญณะปริญญาที่สามปหานะปริญญาจบจบเลยติละขณะอญาตะปัญญาคือทำรูแล้ว ยาตะคือรู้ตู้แล้วอะไรที่มันอยู่ในชีวิตขลู่แล้วทั้งหมดเลยอันยาอันยาลู้แล้วยาตะอริยานีไม่พ้นไม่พ้นดวงตาแห่งสติตีแล้วกระนั้นปริยาแ ก, ก่แกงแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทำได้แล้วปหาหนปริยาหมดไปแล้วหมดไปแล้ว ราว่าที่เป็นหมดไปแล้วนี่จะเห็นไม่เป็นกลับมาแทนที่ท่านสวนโมกจึงว่าเจ้าคุณพุทธาธิวาไปยาสวนโมคือตายก่อนตายเอาว่าไปอีกนิพพานคือตายก่อนตายอะไรมันตายไม่ใช่ลูกไม่ใช่นามเ มันตายไปก่อนรูปกับนามมันมันก็เป็นอยู่แล้วเมื่อมีเกิดต้องมีตายมันมีมาแล้วอย่างนั้นเราใช้มันให้มันจบซะมันจึงไม่มีที่จะต้องให้มันเกิดไม่มีต้องให้มันตายม่แต่ใช้มันนี่คือชีวิตเราจึงจกได้ชีวิตชีวิตไม่ใช่ฝากไปกับรูปกับนามกับส <c oughs> ายกับใจ กายใจไม่มีแล้วเรียกว่าหมดชีวิตไม่ใช่ชีวิตคือมันไม่เป็นอะไรชีวิตคือมันไม่เป็นอะไรจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันเหนือกว่านั้นชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันเป็นอะไร มันก็ไม่เป็นอะไรมันมันหาการพูดไม่ได้หาคองพูดไม่ได้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราใจพูดว่าเป็นนิพพานเป็นเมืองแก้วนิพพานเป็นของเราความว่างเป็นของเราความไม่เป็นอะไรเป็นของเราไม่ใช่ของใครมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วชีวิตถึงความไม่เป็นอะไรมันจะเอาอะไรมาสมมติปัญญาตพูด ไม่ได้นี่เดี๋ยวสมมติมาพูดกัน ว, ว่านิพานคืออะไร ว, ว่ายเย็นจ้ะของโลนคือมันเย็นเย็นเป็นยังไงอธิบายไม่ได้เหมือนอธิบายความเข็มมันเป็นไงความเข็มเผ็ดเป็นยังไงอิ่มเป็นยังไงหิวเป็นยังไง ถ้าคนเคยอิยม่มเบลคงจะตอบแรงได้ถ้าคนไม่เคยอิยม่มคงตอบไม่ได้ความเย็นที่เป็นวัตถุจะเปรียบเทียบความเย็นที่เป็นมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้แต่ว่าเอาอันนี้มาเป็นสิ่งเปรียบเทียบเฉยๆเยบลพระพุทธเจ้าได้พบเห็นจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้า ผู้ที่พบเห็นตามที่พระเจ้าทรงสอนเรกว่าสาวกคือพระสงฆ์ผู้ใดพบเห็นว่าเป็นสงฆ์สงฆ์พระรัตนตายไม่ใช่สงฆ์สมมุติปัญติอาจจะนุ่งเสื้อผ้านุ่ง ก, กางเกงนุ่งอะไรก็ได้เป็นสงฆ์คุณธรรม โดยการศึกษาปฏิบัติโดยการจเรจริญสติทาตามที่พระองค์ทร ง, งสอนเนี่ยเมพระพุทธเจ้าบอกให้เราเดินไปแต่การเดินต้องทำเองเดินเองปฏิบัติผู้ที่ศึกษาปฏิบัติจะต้องด้วยทำด้วยตนเอง ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรน้อมมาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ควรประกาศให้คนมาดูเป็นปัจจัตังของผู้กระทาของผู้พบเห็นเป็นอย่างไรมันมาใช่ของแบ่งปัน เกิดจากการกระทำของแต่และชีวิตถัลรักเสียนลักกันก็ช่วยกันไม่ได้มีแต่บอกว่าถัาลักกันจึงหัวใจแห่งความรักไม่มีใครเป็นนักรักเท่ากับพูติเจ้าอาวุธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดคือแม่ไม่เป็นอะไรแนะม่องค์ครีมานจับดาบไล่ฟันอยู่ก็ยังรักองค์ครมาน ยังคิดจะช่วยอยู่จนช่วยได้จนช่วยได้รักษาอะไรเราเนะี่ยทษทำให้เราเป็นทุกข์ยังไม่รักตัวเองอันรักจริงจรงมันรักตัวเองก่อนรักตัวเองไปแล้วก็รู้จักรักคนอื่นคนอื่นโกรธเราเคยโกรธเป็นลักษณะอย่างไงทำไมเราจะไม่รู้ เราจะต้องช่วยคนที่โกรธให้เขาไม่โกรธคือความรักช่วยคนที่ทุกข์ให้เขาไม่ทุกข์คือความรักไม่ใช่รักต่ยการอยู่ด้วยการโกรธการนอนอยู่ด้วยการกินอยู่ด้วยกันไม่ใช่ความรักความรักแบบนั้นอันตรายเป็นของตัวเองเป็นของส่วนตัวเห็นเจืตัวเพิ่มขึ้น ความลําไม่ไช่เป็นของส่วนตัวเป็นสาธารณะกีวิตเป็นสาธารณคือช่วยคนอื่นชิงอื่นวัตถุอื่นช่วยชิงอื่นก็คือความลํกอย่างที่เคยพูดว่าป่าไมา้ร้องไห้ให้น้ำล้อป่วยแผ่นดินนมาพาดอากาศเป็นพิษ ช่วยป่าไม้ช่วยแม่น้ำช่วยแผ่นดินช่วยอากาศก็ เ, เท่ากับช่วยคนอื่นก็ เ, เท่ากับช่วยคนอื่นแต่คนอื่นไม่รู้ตรงไปช่วยกันจริงจึงจะรู้อันนี้ มันเยอะแยะงานของพวกเราเนะมากมาจนทำไม่ทันจนทำไม่ไม่ไหวที่จะทำให้อะไรมันดีด้วยตัวคนเดียวจึงขอร้องให้มาช่วยกันมาดูมาดูมา ไ, มไปอย่างนี้สู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้วิกฤตการณ์ดูดเราจะลด ที่คนหลงอากันอยู่จนผู้มีปัญญาไม่อยู่ที่นั่นแล้วพระพุทธเจ้าข้กิตะโกนบอกตะโกนบอกไม่ค่อยมีใครได้ยินสู่ทั้งหลายชยมดูโลกโลกเคลื่อนหวลูกรถกินเชียงอะต่างๆ เราจะลดันตกแต่งตกแต่งให้คนหลงดูีิทุกวันนี้มันคืออร่อยเฉพาะใบหน้าเ็ตัขาต้งบริษจัทเป็นเราลกไ้พันพันบริษจัทเช่นผมของเราเขาต้งบริษจัทเป็นพันพันบริษจัท ขอไม่ดีเขาก็ขึ้นส้ไล่ขึ้นฟ้านให้คนได้หลงขายเล่าขายบุหรี่เครื่องอยู่เครื่องกินตามเมอร์เกอร์บางทีอาจจะไม่เป็นอาหารโด ย, ำย่ำไป บางทีมันเป็นของบ่มรุงเป็นของบ่มเบลอเกินไปพุ่ปพวยเกินไปไม่พอใช้ไม่พอจ่ายแต่ใครที่ชวนให้รู้ไม่ค่อยจะมีโจบไปนี้มากกว่าหมอเดินการพนันมากกว่าโรงเรียนแล้วก็ไม่สมดุลกัน เมื่อสองสามวันมานี้เขาจับยาม่าได้เมื่อถานีตำรวจบ้านท่ามไฟหวานติดกัางอปตศูนย์อปตท่ามไฟหวานแล้วคนบ้านคนที่ขายยาม่าก็คือครูคี่เลี้ยงมาสอนโรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยที่ อปทในศูนย์เลยเวลานท่านมา่เปลือเป็นนอนมันเป็นอย่างนี้คนออกม่เขารับผิดชอบขนาดเป็นครูพี่เลี้ยงสามีขายโดงฆ่าสัตว์บางทีน้องตา็เคยท่วงจติงมาแล้วก็มาสอนอยู่ในวัดผูเขาทองนะ ไม่ต้องบันทึกเทเ <laughs> ขียนติดหน้ารถครูติ๋วขายครูติ๋วเขียนเนื้อบอกว่าไม่เหมาะนะเอาขี่รถยนต์เรามาจอดไปโรงเรียนในวันนี้ครูติ๋วเขียนเนื้อเหมือนกับวัด น, นี่ขายเนื้อห่าสัตว์ขายครูครูติ๋ว เฉียความเป็นครูแล้วเอาครูมาเป็นเขียงเนื้อเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีอีกหน้อยเขาก็หลงพ อ, ของเขียงเนื้อไปเียแล้วเลยไม่เอารถขึ้นเข้ามาในวัดพระัาก็เลยออกไปอยู่ศูนนน่นจับได้สิบเกตเม็ดยาบ้าก็รู้สึกว่ามันหลอกลวงหลอกลวงฉมชนเอาไม่อยู่ อยู่ในมัดก็มีนะวางทีว่นนั่งคุยกันกันกบกำนั้นกับอันนี้ยังมีพระเขายังงงพระพระรูปหนึ่งก็ออกเคยเสพยาเสพติดมามาบวชอยู่เนี่ยอยู่กับหลงตาเนะี่ยลูกฉย์หลงตาคำเขียนขายยามากอีกไม่นานนะจะได้ยิ น, น อ, อีกไม่านานจะได้ยินนะมนะีจะทำไงพวกเรานะ อย่าปล่อยกันที่อย่างนี้หรือรีบบอกรีบสอนกันเถอะเป็นตัวอยา่างนันเถอะพวกเราสักชีวิตสองชีวิตขึ้นมาเนี่ยเรานั่งอย่างนี้ก็พอแล้วเนี่ยเหมือ น, นชาวพวกของพระเจ้าที่แรกห้าคนต่อมาก็สี่สิบห้าคนกระจายกันไปจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ เป็นงานชอบที่สุดเลยไปยบอกกันเถอะไม่บอกใครก็บอกเราให้มันได้จะงบยู่นี่แหละพวกเราไม่ทำให้อะไรเป็นทุกข์เป็นโทษโดูแลกันไปยไปไม่ไปที่ไหนนั่งอยู่นี่ก่เต็มไปด้วยเมตตากรุณาตื่นขึ้นมาก็มีแต่ชีวิตคิดว่าสะลุทลวง ปูโขเวน้ำทะเลขวงกัน้นความเมตตาคุณดังในหัวใจเราไม่ได้เราไม่ได้ไปนั่งอยู่นี่แต่มันยิ่งใหญ่มากนะคุณธรรมที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะหนาวด้วยเช่นี่หนาวด้วยเนี่ยหนาววันนี้ก็มีนะ ศูนยะ์ลบยี่สิบนะน้องตาไปเมืองกีนไปกายเนี่ยศูนย์ลบยี่สิบนะนะน้ำไหลเลยนะหนาวบ้านเรามาน้ําแห้งนะหนาวบ้านเขาวันน้าไหลนะเห็นนั่งแข็งนะจะมานั่งปผล่ตัวเห็นหัวเห็นผมอยู่นี่ไม่ได้นะตายแเนี่ยน้องตานั่งเทศเหมือนเด็กนั่งในเพลาอ้อมนะผม ผมไม่หนาเทเลยเขาไม่ยอมเขาผ้ามาหม่มมาขุมให้เห็นแต่ปากเขาว้อนะพูดจังนี้ยนะด้านนั่นก็ยังหนาวมากนะจนจะเดินไม่เป็นน้าตรงไหนน้ำมันไหลเป็นน้าแข็งแต่น้มแข็งอยู่ข้างบนกลางล่างมันยังไหลได้ตั้งบนมันแข็งข้างล่างน้ำยังไหลอยู่ ไม่ก็นั่น่ะอย่าอ้างว่าหนาวนักเหิวนักรอดนักเหนื่อยนักความรู้สึกตัวนี่อ้างอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่มีอะไรอ้างเลยแหลมคมมากเนื้อทุกอย่างความรู้สึกตัวควมไม่ทุกข์ควไม่โล่งไม่มีอะไรอ้างเลยเอาความหนาวมาอ้างเอาความอเก็บมาอ้างเอาความตายมาอ้างไม่มีในความรู้สึกตัวเนี่ย ทะลุทะลวงหมดนะมันจะไม่เหนือเกิดเจ็บเจบตายได้ยังไงจริงเหล่านี้มันจึงเหนือทุกอย่างเหนือเกิดเหนือเจ็บเหนือเจ็บเหนือยตายเหนือโล้นเหนือยหนาวเหนือหิวเหนือปวดเหนื่อยเมื่อยเหนือทุกอย่างให้เป็นสมบัติของเราเถอดเดิง น, นี่ยนะอย่าให้มันเสียไปชีวิตยังทำได้อยู่นั่นหลงเปลี่ยนไว้หลงทาได้อยู่ มันทุกข์เ่ยนไม่ทุกข์สมปัติของเราเให้มีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อมันจะไม่มีมันจะจนจนต่อจริงๆนะตนจริงๆนนะกายของรูปนามของรสังขารนลังกาย ใจที่เป็นรูปทำน้ำทำทั้งหมดทั้งเช่นเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปมันเป็นจริงๆแบบนั่นนะรูปน้ํา ม, มันไม่เที่ยงนะใจความไม่เที่ยงมันปล่อยมันพีๆหรอรูปน้ําเป็นทุกข์นะรูปน้ำไม่ใช่ตัวตนนะแล้วอยู่ในรูปอยู่ในน้ําอยู่ใน ความไม่เที่ยงอย่างไรอยู่ในความเป็นทุกข์อย่างไงอยู่ในภาวะความไม่เป็นตัวตนอย่างไรมันใช่ได้ไหมบางทีเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เพเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เพความไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่เลยเราต้องเป็นพ่วงเพลของขี่ข้ามฟากเอาความไม่เที่ยงไม่ใช่ เอาความไม่ทุกมาใช้ความไม่ใช่ตัวตนมาใช้ให้ไ ม, ม่เป็นมรรคเป็นผลให้เ ว, วิดความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ให้ความว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์เอาเป็นมรรคเป็นผลสำเร็จประโยชน์ในความหลงก็เป็นผลนแทนที่จะหลงเป็นรูที่แล้ว ในความทุกข์ก็เป็นผลแทนที่ทุกข์เป็นไม่ทุกข์เสียแล้วมันจึงจะเหนือกันแต่ที่จะเก็บเพื่อไม่เก็บเสียแล้วอันที่จะมันตายมันก็ไม่ตายเสียแล้วมันปล่อยถึงสุดยอดมงกุฎทำคือไม่เป็นอะไรโ น, น่นจากสติข้าวข้าวแรกตัว น, นี้นะเพียนหลงเป็นรูปมันไปไกลนะจะดู ทำงานทำานในความทำนานในการมีความรู้สึกตัวสะดวกในความเป็นทุกข์สะดวกในความหลงสะดวกในปัญหาเหมือนเรามีความรู้สะดวกในปัญหาคน ม, มีความรู้ทำอะไรที่มันเป็นงานที่มันทำมาได้มันสะดวกในการกระทาความทุกข์ทำห้เราสะดวก เอ๊ะแปกแลกนะเนี่ยเครื่องทุกข์ทําเราสะดวกนั้นเป็นอย่างนี้นะธรรมะเนี่ยสะดวกในการทุกข์เป็นสิงขี้วัดเหมือนกับพระเจ้าว่าทุกท์ไม่กำเลิบแค่เราอีกแล้วเราจึงชื่อว่าเป็น าตัดจัลโแล้วมันไม่กำเหลิบทำได้แล้วเอาชิ้เหล่านี้มาเป็นกระมัตัดจัลโให้พระปัญจวิคีฟังเราได้ตัดจัลโล่พร้อมเฉพาะหน้าแล้วดังที่เราได้สาธิยาอพระสูตรทำมาจากอุปัตสูตรแล้วมันยังเป็นการสะดวกนะแต่ ผู้ทุชนทุกเป็นการติดขัดมากที่จุดไปไม่ได้หนักขึ้นแต่ผู้เจ้าสะดวกเอาาเป็นเรื่องสะดวกที่สุดเลยชีวิตเราควรจะเป็นอย่าง น, านั้นหลงเฉยๆก็คล่องแวะสุขทุกข์คล่องแวะไม่มีอะไรคล่องแวะเลยชีวิตเราเนี่ย ปฏิบัติธรรมเนี่ยตามตามพระเจ้าทรงทรงโซนเนี่ยมีสติเนี่ยเดีย๋ยว่ที่ไหนก็ได้แต่ติเนี่ยเอาลมไหาใจมาลู่ก็ได้พิบตาก็ได้เคลื่อนเขาได้อยูเฉยๆเขาลู่ได้หับกับความลู่ตื่นกับความลู่งัดไปอะไรก็ตามมีแต่ลู่มีแต่ลู่ มหาลู่หายใจก็ลู่เชแล้วเคลื่อนไหวก็ลู่แล้วอะไรก็ลู่ไปหมดชีวิตทั้งชีวิตคือภาวะที่ลู่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลู่นะมันเป็นทำให้มันเป็ น, แ ต, น, ปนแต่ก่อนต้องเคลื่อนไหวมือต่อไปมันต้องเคลื่อนไหวมันหลับมือเนี่ยต่แต่ก่อนต้องเอาลงหายใจ ต่อไปไมันต้องลงหายใจแลวนะเอาชีวิตทั้งชีวิตเลยมันมีความรู้มันเป็นไปแล้วไม่ได้หัดเหมือนกันเราเรียนหนังสือได้แล้วจะเป็นต้องไปหัดขีดทัดเขียนทํำไมใช่เลยเลยควมีปัญญาไ ป, ไปเจอกับคุณหลงคุณหลงหนุ่ม มีเมียแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งพามาพากันมาปฏิบัติก็แม่มอบทรับสมกัดให้ไม่เอาเาสียภาษีสูงพ่อแม่ยกบ้านให้ก็แไม่เอาเสียภาษีมากเขาสะดวกแบบไหนเขามีปากกาเล่มเดียว ไปกับโลกก็มีอะไรไดอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานเพราะมีมันปัญญาคนมีปัญญามีความรู้ทำงานเขาคนก็ชอบไปทางานที่ไหนเขาก็บอกว่าคุณทาอยู่กับเราคุณไม่จิต ซื้อบ้านได้คุณมีสิ์มีรดโยนได้คุณมีสิต ไ, ไม่อดม่อยากถ่าทํางานจยุดเราเพราะเขามีปัญญาเขาทาได้เขาจึงไม่มีบ้านไม่ช่องเขาไปทา ง, งานทั่วๆไปไปได้นี่คนมีปัญญาไม่ราะหลุงพหลังแต่คนมีปัญญาพราะหลุงพหลัง แต่นายช้าต้องหอบด้วยหอบกบขายนุ่นขายปอขายอ้อยรถฉิีโลอหลวงพ่อเทียนเคยพูดเราเนี่ยพ่อเทียนบอว่าเงินหมื่นเงินร้อยหายากเงินหน่วยเงินพันหายากหาเงินแฉนหาง่ายงั้นจะไงหลวงพ่อ เงินแสนเนี่ยหา ง, ง่ายไปถามบ้านผู้ hom บ้านผู้ hom เนี่ยทำไรฟ้ายเกือบทุก ร, รังคาเหลือนแล้วถามเขาว่าเขาเข า, เ ข, าขายซื้อขขขเขาซื้อเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อเท่านั้นบาทอ่าหมื่นละเทะะะ่านั้นบาท จะเชื่อให้หมื่นแล้วเท่านั้นหม嘛จะขายให้ไหมเขาบอกว่าขายมิจีมิจีหมื่นใครมีจีหมื่นบางคนมีร้อยหมื่นสองร้อยหมื่นห้าสิบหมืนหกสิบมื่นไปถามหมดทุกคนถ้าขายหมื่นแล้วเท่านั้นจะขายให้ถ้าขายเท่านี้ก็ไปขายโรงงานเราเขาจะเชื้อให้เท่านั้น ก็ซื้อถามหมูดทุกคนในบ้านแล้วาถามได้แล้วว่าผ้าอยู่นั่นหมื่นเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นเท่านึงเป็นผ้าประมาณเท่านั้นหมื่นเป็นแสนเเป็นแสนหมื่ น, น, น, น, น, นจะซื้อให้เท่าไหร่ถ้ามันเป็นมากไปหมื่นล้วเท่านี้จะขายจะซื้อให้ไหมเออถ้ามันจำมวนมากกว่าซื้ออลูกไปใช้ เอารถไปใส่ขี้บอกเลยนั่นอยู่นั่นเท่านั้นอยู่นั่นช่างเอากินน้ําชาแค่เดียวได้เงินเป็นชสนแนล้านอันนี้คนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาต้องเอารถฉีบต่อทุกมันทุ ก, ทกอ้ยอยนลวงพ่อเทียนไม่มีรถแค่แต่คันเดียวเอาสมองไปเลยเป็นพราค่าใหญ่ใช่ไหม แต่หมายท่านเป็นโยมอยู่เ ม, มงเลยอายุสี่หกปีเท่านั้นศึกษาธรรมะเนี่ยมาเข้าใจธรรมะเนี่ยพ่อค้าก็าไม่จำกัดเพศไปสะกงพวกเราเราก็ก็พอที่จะมี ประทับใจในสิ่งที่หลวงพ่อเทียมสอนให้เห็นลูกซื่อประทับใจตรงนี้ให้ลูกซื่อมันสุขก็จะให้มันสุขหลงให้มันหลงมาได้ให้ลูกซื่อให้เห็ลูกรูปรูนามประทับใจตอนลูกรูปรูนามประทับใจตอนลูปสมมุติลูปประลตบ ประทับใจตอนที่สงพ่เถียนสอนให้เราเห็นความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิดประทับใจมากตรงนีนจบต <จบ S 1> รงนี้นะจบตรงนี้แน่นอนนะอุปทูว่าสุขทุกที่เกิดจากความคิดนี่จะไม่มีอีกแล้ววันะจบไปอะไรเลยเปิดเนี่ยไม่มีอะไรแล้ววัะนะ ้ก่อนเอาชีวิตไปห้อยไปแขนกับกายกับใจบัดนี้ไมไ่มีแล้วนะกายใจไม่ได้เป็นเรื่องถูกแล้วผมมันจะเป็นอย่างไรกายใจนี่จะไม่ทุกเด็ดขาดประทับใจหลวงพ่อเทียนตรงนั้นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อจะใช่ผมอะไรทำไมผมปฏิบัติตามหลวงพ่อสอนในผมมัน มันหมดเมื่อหมดตัวขอเกยทำอะไรก็ทําแบบนี้แล้วแล้วทำแบบนี้มันจริงเหรือกี่วันกี่เดือนกี่ปีทําอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่คนนีผมรู้สามารถคนก็ไม่ค ข, ขยันไม่ได้ไม่หลับไม่นอนทําแบบนี้แหละก็้ต้องสองปีและหลวงพ่อ แ้วมันทําอย่างนี้มันจริงไม่ได้ใช่หละถ้ามันจริงก็ไปบอกคนอื่นไปสอนคนอื่นช่วยกันมันยังไม่มีใครอ่ะก็ประทับใจหลวงพ่อเทียนตรงนี้ล่ะไม่ใช่ประทับใจเห็นรูปหลวงพ่อว่หลวงต๋อคนนึงทับดานี่แล้วไม่ใช่หลวงเทียนนะชื่อนะชื่อพันนะหลวงพ่อพันกิตตสุโพนาะ แต่ว่าหลวงเทียนเอาลูกชายคนโตมาเป็นชื่อคนมังเลยเขาลูกชายคนโตเป็นชื่อลูกคนโตมาเป็นชื่อผู้หญิงก็ชื่อใดก็เอาลูกเป็นชื่อพ่อชื่อแม่เขาไม่เรียกชื่อจริงๆไม่เคารพกันเ็าเรียกพ่อนั้นแม่นี้อันนี้เพราะนั้นก็ประทับใจหลวงเทียนสอนลูก ส, สื่อให้เห็นลูกเห็นนาม ปฐาจัจเห็นสมมุติเห็นปรามัติประทัจเห็นความคิดอย่าเข้าไปในความคิดเนี่ยสุดยอดเลยนะไม่มีใครสอนอันนี้เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนโอ้ยเป็นพ่อของเราคนนจึงถ้ามันจริงก็บอกกันมาโบกอยู่ทุกคนในสี่สิบห้าสิบปีแล้ว ถ้าจะทำก็ลองดูก็จะไม่ทำก็จำเป็นช่วยไม่ได้อันนี้ก็สมควรใจเวลา